บทภาชนี7จ็ฉันต้องอบัติธุลใจทุกๆคำกลืนพิกชณีรับประเค็นน้ำและไม้ชาราฟันต้องอบัติทุ ก, กฎเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างกำหนดรับประเค็นจากมือยักษ์เปรตบันเดาะหรือสัตว์ดิรชนันมีกายเป็นมนุษย์ด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะ ฉ, ออกกฉันต้องอบัติทุกกฎฉันต้องอบัติธุลใจทุกๆคำกลืนรับประเค็นน้ำและไม้ชาราฟันต้องอบัติทุ ก, กฎ เมื่อกำหนดฝ่ายเดียวรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะ ฉ, ออกกฉันต้องอบัตทุกกฎฉันต้องอบัตทุกกฎทุกๆคำกลืนรับประเคนน้ำและไม้ชําราฟันต้องอบัตทุกกฎ